พระรา ธ, ธรรมเจติยาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทรวัดธรรมมงคลเขต พ, พระขนงกรุงเทพมหานครพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยหกสิบสามถึงปัจจุบัน เกิดพลังได้ต้องมีความเป็นหนึ่งหมายถึงอารมณ์เป็นอันเดียวจิตที่จะเป็นหนึ่งอาศัยคําบริกรรมถึงความนึกคิดจะนึกอะไรก็ได้แต่เมื่อนึกอะไรก็ให้นึกคิดอย่างนั้นความเป็นหนึ่งเราเรียกว่าสมาธิ สมาธินี้ถ้าเป็นนานๆานเข้าก็จะทำให้เกิดพลังจิตเมื่อเราทำให้มีสมาธิให้เป็นการถูกต้องสมาธิก็เท่ากับเป็นอาหารของจิตอาหารก็จะเข้าไปส่งเสริม ให้จิตแกล่งขึ้นตามลำดับเมื่อมีสมาธิสมาธิก็จะเข้าไปเป็นอาหารของจิตเข้าไปสู่จิตสมาธิก็จะแปลสภาพไปเป็นพลังต่างๆภายในจิตเป็นต้นว่าความสงบ ความเยือกเย็นความมีสติความรอบครอบความสว่างความมั่นคงความเข้าใจตนเองเป็นต้นถ้าแม้นว่าได้มีการวางแผนที่ถูกต้อง ในการทำสมาธิให้เกิดขึ้นจิตนี้จะมีพลานุภาพมากขึ้นการวางแผนการทำสมาธิเพื่อความถูกต้องเป็นระยะระยะเท่ากับส่งเสริมจิตให้เจริญก้าวหน้าเพิ่มพูนพลังจิตไปในทางที่ถูกต้อง จิตนี้ก็จะทำให้เขาเป็นผู้นำและนำโลกไปสู่สันติภาพแต่ในขณะเดียวกันถ้าทำจิตโดยที่ไม่ถูกต้องเพราะความเข้าใจผิดหรือเกิดความคิดเพื่ออคติแล้วผูทางไปในทางที่ตนปรารถนาย่อมเป็นการทำลายความสงบสุข ของสังคมได้จึงมีความจริงที่ว่าการทำสมาธินั้นเป็นพลังจิตและก็สามารถนำความสุขมาให้อย่างแท้จริง แต่ถ้าหากมีได้ทำวิปัสสนาจิตใจที่มีกิเลสก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ระงับไว้ชั่วคราวแต่ยังไรก็ตามการทำสมาธิเพื่อให้บังเกิดประโยชน์ระดับหนึ่งนั้นควรทำเพราะจะเป็นพลังจิต ที่สามารถควบคุมจิตได้ขั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดสุขภาพใจเพราะจะมีแต่สุขภาพกายเพียงอย่างเดียวนั้นย่อมไม่สมบูรณ์แต่เราก็จำเป็นที่จะต้องทำสมาธิให้แก่ตัวด้วยการทำที่ง่ายที่สุดอันจะทำให้สังคม มีความสงบสุขได้อันนี้นั้นเป็นการที่ทำเพื่อตนและผู้อื่นเพราะสังคมนั้นเราเองก็ต้องรับผิดชอบ สมาธิก็สมาธิโดยทั่วไปขอสมาธิชั้นสูงก็สมาธิโดยทั่วไป คนเราทุกคนนั้นควรจะมีการทำสมาธิเดือนละหกชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพราะจะได้มีการควบคุมจิตของเราได้ระดับหนึ่งการที่จะทำสมาธิโดยทั่วไปนั้นไม่ยากสามารถที่จะทำได้ทุกๆุกคน อาจจะตกใจว่าเดือนหนึ่งเราต้องทำสมาธิถึงหกชั่วโมงนั้นคงจะทำไม่ไหวเราจะแนะวิธีให้แก่ทุกคนคือการทำความสงบนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ แต่ขณะที่เราจะทําจิตให้เป็นสมาธิเราต้องบริกรรมเป็นอันดับแรกบริกรรมคือการนึกในใจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนึกว่าพุโทโธพุโทโธ พุโทโธพุโทโธหลับตาเราอาจอยู่ในห้องน้ำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธสักห้านาทีก็พอแล้ววันหนึง่งเราอาจจะเข้าห้องน้ำห้าครั้งเราก็ได้25บห้านาทีแล้ว กลางวันเราอาจจะพักงานเที่ยงเราหยุดนั่งนอนก็ได้นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธห้านาทีรวมสามครั้งได้สิบห้านาที ทุกๆวันหนึ่งเดือนเราก็ได้สมาธิถึงกว่าหกชั่วโมงพอใช้แล้ว ถ้าเราทำทุกๆวันหนึ่งเดือนเราก็ได้สมาธิถึงกว่าหกชั่วโมงพอใช้แล้วการกระทำเช่นนี้ต้องทำตลอดไปเพราะเมื่อเราทำติดต่อกันไปหลายวันเดือนปีจะถือได้ว่าเราได้สะสมพลังจิตไป ทุกๆวันพลังจิตของเราเมื่อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะเป็นสุขภาพจิตการทำเช่นนี้ท่านจึงเปรียบเหมือนเม็ดฝนแม้จะเล็กน้อยแต่มันตกลงมามากๆก็ท่วมบ้านท่วมเมืองได้เหมือนกัน เราจะรู้สึกในตัวของเราเองว่าเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเราสามารถทำงานได้เพิ่มขึ้นเราจะบรรเทาความเครียดลงได้พร้อมกันนั้นก็จะมีสติเพิ่มขึ้นระงับยับยั้งช่างใจของเราได้มากขึ้น อันนี้เราจะสังเกตได้และรู้ได้ด้วยตัวของเราเองณที่นี้ขั้นแรกมีความจำเป็นจะต้องบังคับตัวเราเองให้มากพอสมควรเพราะว่าความเคยชินความเอาแต่สบายความที่เราจะต้องเอางานมาเพิ่มขึ้น จึงต้องได้ใช้ความพยายามที่จะแก้ไขตัวเราเองแม้ว่าจะทำเพียงเล็กน้อยแต่ความคิดว่าไม่จำเป็นเลยทำให้เราไม่ชอบจะทำตามหลักการนี้ดังนั้นถ้าเราผ่านขั้นแรกไปได้ทำตามนี้ไป อย่างสม่ำเสมอต่อไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดเป็นนิสัยถ้าเป็นเช่นนี้เราก็ได้ชัยชนะเพราะมันจะเป็นระบบของตนเองแล้วจะเกิดความง่ายดายในการทำเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการทำสมาธิโดยทั่วไปนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตัดกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่เราจะทำเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตในฐานะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันพวกเรา อาศัยซึ่งกันและกันซึ่งยังจะต้องทำทุกๆุกอย่างมิได้มีการผิดแผกแตกต่างจากคนทุกคนโดยทั่วไปมีครอบครัวมีการงานในการมีชีวิตสงบสุขเป็นไปตามโลกทุกประการการทำสมาธิโดยทั่วไปนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมควบคุมแก้ไขให้เกิดความสงบสุขโดยมนุษยธรรมด้วยเหตุผลที่ว่าจิตนี้เมื่อมีพลังให้พอเพียงแล้วจะสามารถควบคุมให้มีมนุษยธรรมได้ คนต่างก็พยายามที่จะไฟหาเพื่อความสำเร็จสุดยอดแต่ไม่สามารถจะทำได้ทุกคนไปจึงอยู่ที่ความยอมรับสภาพฐานะของบุคคลตรงกับคำว่าสันโดษแต่ไม่ได้หมายความว่า งอมืองอเท้าก็ต้องทำสุดความสามารถแต่มันก็ทำได้เท่านี้เมื่อความยอมรับสภาพเกิดขึ้นก็คือพลังจิตที่มีความเพียงพอเพราะเมื่อความทะเยอทยานหมายความว่าไม่ยอมรับสภาพอันนี้นั้นอยู่ที่ทิฏฐิมานะ ความแข็งกระด้างเกินกว่าความเป็นจริงหากว่ามนุษย์หยุดที่ความพอดีรู้จักประมาณตนเชื่อว่าจะนำสังคมโลกให้สงบสุขได้อย่างเราต้องการจะทำตนให้ฟุ่มเฟือย ในขณะที่ตัวก็ไม่มีพอจะทำเป็นต้นที่ได้กล่าวมานี้เราปรารถนาจะให้สังคมมีความสุขต่างมีหน้าที่โดยไม่ลักลั่นกันเช่นกันต้นไม้ต้นหนึ่ง มียอดกิ่งใบก้านกระพี้เปลือกแก่นรากต่างก็มีหน้าที่ของมันตามสภาพเมื่อต้นไม้ยอมรับสภาพของแต่ละอย่างต้นไม้ก็ยืนอย่างสง่าผ่าเผย เราถ้าทำได้ประชาคมโลกจะยืนอย่างสง่าผ่าเผยสุขสบายต้นไม้ได้ถูกสมมุติขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ว่ายอดมีความหมายสูงสุด ผู้เป็นยอดคือผู้สูงสุดเปรียบเทียบด้วยต้นไม้ผู้เป็นใบถือว่าส่วนประกอบแต่ว่าส่วนประกอบสําคัญถึงอย่างไรก็ใกล้เคียงยอดเปรียบเทียบด้วยบุคคลลดลั่นลงมาผู้เป็นกิ่งหมายความถึงความรอบรับ อันได้แก่บุคคลทำงานทั่วไปผู้เป็นเปลือกหมายความว่าส่วนประสานที่ทำให้มีสิ่งกำบังปกป้องผองภัยผู้เป็นกระพีหมายถึงส่วนรักษาภายในไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการประสานงานคือกระพี จะประสานงานให้เส้นเลือดผู้เป็นแกนคือผู้มีความสำเร็จเป็นหลักชัยให้แก่ผู้นั้นนั้นผู้นั้นคือผู้มีความมั่นคงเพราะสิ่งที่รวมกันแล้วเป็นผลสำเร็จผู้เป็นรากย่อห ม, มายถึงอาหาร ความหล่อเลี้ยงชีวิตตนและผลโลกให้อยู่ชั่วนิรันดร์อันที่จริงต้นไม้ทุกส่วนแม้จะมีหน้าที่ต่างกันเปรียบเหมือนผลโลกที่มีหน้าที่และฐานะต่างกันและประชาคมโลก ยอมรับในเกณฑ์มาโลกจึงอยู่ได้ในพระพุทธศาสนาสอนให้ผลโลกนี้ยอมรับตามความเป็นจริงโดยสอนว่ากรรมคือการกระทําไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด ทุกคนยอมรับในฐานะของตนคือยอมรับว่ากรรมนี้เป็นของของตนจึงทำให้โลกนี้หรือว่าเรียกว่าประชาคมโลกนี้ยอมรับด้วยการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ตามอัตภาพของแต่ละฐานะ เราได้ประพฤติความดีในความถูกต้องอันจะนำไปสู่สาิภาพได้แน่นอนต้นไม้ทุกสิ่งในธรรมชาตินั้นได้ยอมรับหน้าที่ของมันตามปกติทั้งยอดใบกิ่งเปลือกกระพีแก่นราก โดยมันยอมรับสภาพต้นไม้ก็จะเจริญขึ้นมีดอกผลตามฤดูกาลมีความร่มเย็นเป็นประโยชน์แก่โลกเช่นเดียวกับประชาคมโลกยอมรับฐานะของตนปฏิบัติหน้าที่ ที่ตนได้รับเป็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ความกระตือรือร้นจนเกินเหตุไม่ว่าชาติใดภาษาใดทวีปใดเมืองใดประเทศใดทุกคนคือประชาคมโลกเพราะเมื่อได้มายอมรับฐานะหน้าที่อันเป็น ความจริงที่ตนพึงได้พึงมีแล้วไม่กระตือหรือร้อนเกินเหตุไม่พยาบาทอาฆาตจองเวนมีอหิงสาธรรมเมตตาธรรมนี้คือทางที่จะเดินไปสู่สันติภาพโลก